มันคงทอดสายตาสงบนิ่งเป็นดุษฎีอยู่เช่นนั้นไม่รับรู้สนใจกับปลายดาบอันเป็นโลหะที่ยื่นแย่เข้าไปใกล้และแล้วทันทีนั้นเขาก็แตะปลายดาบฉับกระทบมันเบาๆด้วยอาการรวดเร็วฉับไวราวกับสายฟ้าแลบ เทามฤตยูตะวัดเส้นของมันไม่ผิดอะไรกับอาการแหวงรัดของอสรพิษพุ่งเข้ามาที่รับพินจนดูไม่ทันแต่นั่นก็ไม่เร็วไปกว่าจอมพานผู้เตรียมพร้อมรับอาการอยู่แล้วเขากระโดดถอยหลบออกไปพ้นรัศมีอย่างรวดเร็วทันกันพร้อมกับเสียงร้องอุทานอย่างตกใจของพรรคพวกที่ยืนจ้องเหตุการณ์อยู่ จอมพานซุดตัวลงนั่งคุกเขา่าแง่มองดูวงเส้นนั้นซึ่งดิ้นไขวยคว้าเป็นเกลียวอยู่เหนือศีรษะพอมันตวัดรัดผิดเป้าหมายอาการอันรุดเรียวฉับไวก็หมดสิ้นลงคงปล่อยให้สายไกวเนินนาบอยู่ไปมาและค่อยๆช้าลงเป็นระดับเสียงใครต่อใครเบื้องหลังตะโกนเตือนให้เขาระวังตัวและถอยห่างออกมาแซบไปหมดจนฟังไม่ได้สับระวังมันจะยืดลงมาถึงตัว เชิดฐาร้องออกมาย่อกายลงต่าคลานเข้ามาที่เขาไม่หรอกครับเส้นมันยาวแค่ไหนก็มีรัศมีทําการอยู่เพียงแค่นั้นยืดออกมาไม่ได้อีกถอยเถอะไม่ได้การแล้วมันไม่ใช่ต้นไม้แต่มันสัตว์ร้ายชัดๆเดี๋ยวครับผมต้องการทดลองอะไรหน่อยบางทีเราอาจพบจุดอ่อนของมันคุณจะทํายังไงแล้วผินไม่ตอบ พินิจดูมันไปนิ่งไปอึดใจชั่วครู่ก็ชูดาบขึ้นกำไว้แน่นกระชับที่สุดยื่นไปแตะเทาของมันอีกครั้งพืตาเดียวคี่กระทบมันก็แหว่งตวัดอย่างรวดเร็วกัอีกครั้งครั้งนี้ผานใหญ่ไม่หลีกหลบแต่ส่งปลายดาบให้มันรัดอย่างถนัดที่สุดพอมันเริ่มฉุดม้วนขึ้นเขาก็ดึงรั้งดาบลงมาใช้ส่วนคมเฉือนกระเถาของมันอย่างช้ชาเลือดเย็นมีรอยบาดเบิเร์จากคมดาบ แล้วใบดาบก็หลุดร่วงมาจากการรัดมันไม่มีปฏิกิริยาสะทุ่สงสะเทือนหรือเจ็บปวดอย่างสิ่งมีชีวิตใดๆเมื่อดาบถูกตึงหลุดออกไปก็คลายวงรัดทอดปลายห้อยลงมาตามเดิมรับพิดทดลองทําเช่นนั้นอยู่สองสาครั้งไม่มีประโยชน์มันคงไม่มีประสาท ร, รับรู้ความเจ็บปวดเหมือนสัตว์ทั้งหลายหรอกมันไม่มีเลือดไม่มีสมองมีแต่สัญชาติญาณและเซลล์บังคับเท่านั้นสิ่งดาวรินร้องบอกเข้ามาขยับจะตรงเข้ามาสมทบแต่เชืา้าโบกมือห้ามไล่ให้กลับ อยู่ที่เดิมคราวนี้ผ่านหยาค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วกัดฟันกระหน่ำดาบฟันลงไปสุดแรงเกิดเสียงคมดาบกระทบเถาของมันดังชั่วแล้วมันก็ขาดสะบั้นไปในพิบตากระเด็นตกลงกับพื้นทันทีที่ส่วนปลายอันยาวประมาณวาเศษขาดไปส่วนที่เหลือก็ตวัดม้วนหดขึ้นไปพันอยู่บนกิ่งเบื้องบน ระหว่างที่แงนดูอย่างสนเท่จอมพานก็ต้องสะดุ้งเพราะเสียงร้องของเชษฐายังไม่รู้สึกตัวก็พบว่ามีอะไรรัดหมับเข้าให้ที่ะเอลมันแรงราวกับมีใครเอาเชือกรัดเจ้าชักเะเยอ์เขาดิ้นสุดกำลังเสียหลัก ตัวหมุนอยู่ไปมาและเห็นเถาอีกเส้นหนึ่งรั้งกายไว้จึงเอาดาบเฉือนเพื่อช่วยตัวเองแล้วก็เห็นเช่ฐถากระโจนเข้ามาพร้อมกับดาบในมนือชั่วพริบตาเดียวร่างของเขาก็หล่นกองอยู่กับพื้นเพราะเถารัดที่พันอยู่ถูกหัวหน้าคณะฟันขาดลงมันมีอาการอย่างเดียวกับเส้นแรกส่วนปลายที่รัดพันรอบกายเขาหมดกาลังเหมือนเอาเชือกมาพันไว้เฉยๆแต่ส่วนบนหดม้วนขึ้นแบอี เชษฐาก้มลงมสุดเข้าขึ้นมาอย่างใจหายใจคว่ำมันน่าจะมีประสาทรับรู้ต่อความเจ็บปวดบ้างเหมือนกันไม่งั้นพอถูกฟันขาดมันจะหดหนีไปทําไมเขาพูดอย่างใกล้ครวนืนพยายามจะค้นหาความจริงออกมาให้ได้โดยไม่สนใจการนําพาหรือการชักชวนให้ถอยกลับออกไปของเชษฐาไพวันไม่มีประโยชน์ที่จะเข้าไปเล่นกับความตายถอยกลับออกมาเถอะฉันไม่เข้าใจว่าคุณจะเข้าไปพิสูจน์อะไรมาเรียบบ้องปากตะโกนลั่น เราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากจะต้องผ่านมันไปให้ได้และต้องหาทางรู้ให้ได้ว่าเราจะผ่านไอเถาวัลผีนี้ไปได้โดยวิธีใดรับพิมพ์ร้องต่อไปแล้วทิ้งกายนอนคว่ำหน้าราบกับพื้นใช้ข้อศอกคืบขานตัวเองเข้าไปนอนอยู่ใต้หงวงมรุดตอยู่อีกเส้นหนึ่งซึ่งทอดตายรอยอยู่ห่างศรีศรษะประมาณสองเศษท่ามกลางสายตาของพวกพ้องที่จ้องมาอย่างหวาดเสียวและไม่เข้าใจความคิดผางค่อยๆพลิกตัวนอนหงายขึ้นล้วงซิปโปออกมา ขีดไฟให้มันลุกพรึบติดขึ้นแล้วก็ค่อยๆ ย, ยกขึ้นหลนเปลวเข้ากับปลายส่วนล่างสุดของมันซึ่งแบบนี้ห้อยอยู่เหนือใบหน้าของเขาห่างเพียงฟุตเศษพักพวกทุกคนจ้องมองตามไม่กระพริบแล้วคลางออกมาด้วยความประหลาดใจพร้อมกันหมดในสิ่งที่เห็นมันม้วนปลายหดนี้เปลวไฟที่จ่อลนของพานใหญ่ไม่ผิดอะไรกับท่าหดเมื่อกะสาไอรอน มันกลัวไฟมันมีประสาทรับรู้ต่อความร้อนมาเรียอุทานตื่นเต้นออกมาเมื่อนั้นเชตหาก็ร้องเร่งให้พวกผู้หาบค้นหีบห่อสัมภาระหยิบใต้ขึ้นมาแล้วเขาก็โยนส่งใต้ทอนหนึ่งเข้าไปให้ระพินผู้ยังนอนอยู่ที่เดิมพ่านใหญ่รับไว้ตาเป็นประกายด้วยความหวังจุดไลเตอร์ลนติดกับใต้ลุกโชนแล้วถูขึ้นไปลนอีเมื่อนั้นเองเขาก็แยกเขี้ยวยิ้มออกมาได้อย่างมองเห็นลูทาง เขามฤตยูเร่งกันหดหนีเปลวไฟของมันสูงขึ้นไปอีกอย่างลนลานแสดงว่ามันเกรงไอไฟเป็นอย่างยิ่งจอมพานกระโดดลุกขึ้นยืนทันทีกวาดใต้อันติดไฟโพคลงแกว่งเข้าไปยังบรรดานหนวดมรณะรอบด้านที่ห้อยเป็นม่านอยู่ทุกเส้นม้วนตัวหดหนีขึ้นไปในทันทีไอร้อนพุ่งว่าไปใกล้จนกระทั่งบริเวณนั้นโปร่งโล่งเพราะเถาของมันหดหนีขึ้นไปหมด มีทางแล้วครับไอเถาอุบ่านี่กลัวไฟแน่มันก็เหมือนสัตว์ร้ายธรรมดานั่นเองถูกเปลวไฟเข้าก็ถอยหนีหมดผานใหญ่ร้องลั่นออกมาอย่างดินดีกวดแกว่งใต้ไล่เถาวันนรกเหล่านั้นให้ถอยหดขึ้นไปอยู่รุดๆไม่ว่าเขาจะปุกเข้าไปทางด้านใดด้านนั้นก็หดโล่งลนลานขึ้นไปเป็นแถบๆสําเร็จยอดเยี่ยมเลยผู้กองเชษฐาอุทานด้วยความสมหวังดีใจเหลือที่จะกล่าวแล้วหันไปสั่งพักพวกเร็ยวปือแจกใต้คนละอันจุดไฟถือไว้ ทั้งหมดมองเห็นทางอันมืดมนนั้นใส่กระจางขึ้นในทันทีต่างถือกระชับใต้ไว้ในมือจุดไฟรุกพลึกขึ้นแล้วไม่กี่อึดใจนั้นการเดินที่หยุดชะงักก็เริ่มต้นต่อไปพวกลูกหาดถูกกาหนดให้เดินรวมกลุ่มอยู่ตรงกลางอีกห้าคนเดินรายล้อมถือใต้กวัดแกว่งเส ม, มือนใบเบิกทางตะลุยเข้าไปทุกคนเริ่มขวัญดีขึ้นเพราะค้นพบจุดอ่อนของเถามรณะพวกนั้นได้แล้วไฟเป็นสิ่งที่มันกลัวไม่บางอาจที่จะกล้ำเข้ามาต่อก่อนด้วย บ้านมรุษอยู่ก็ผ่านแหวกลูปเป็นช่องทางปล่อยให้ทั้งคณะผ่านไปอย่างสะดวกที่สุด ทุกคนอดเสียไม่ได้ที่จะนึกชมเชยในชาวปฏิพันธ์ของจอมพลานซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้ตกทั้งคณะเดินเกาะกลุ่มรวมหมู่กันเข้าไปท่ามกลางสิ่งอันน่าสยดสยองด้วยประสาทอันเขม่งเกลียวเครียดใจเต้นระทึกไม่เป็นสัาเต็มไปด้วยความหวาดเสียวเมื่อหันมองกลับไปเบื้องหลังก็เห็นงวงที่หดหนีขึ้นไปเหล่านั้นค่อยๆทอดลงมาตามเดิมปิดบังทางที่ผ่านเข้ามาไว้หมดทุกด้านเหมือนมีใครชักฉากลงดูอีกทีก็เหมือนทุกชีวิตที่ร่วงล้ําเข้ามาถูกหอม ล้อมกับขันไว้ภายในพับผ่าเถอะหวังว่ามันคงไม่ลูกไม้ทำอุบายให้เราถล่าเข้ามาถูกล้อมอยู่ในใจกลางของมันนะเสียงใครคนหนึ่งพูดลอดไรฟันออกมาถือใต้สำรองไว้อีกคนละอันอย่าให้มันดับลงได้เช้ถาบอกหลายต่อหลายเส้น ทำท่าเหมือนจะดักรอเล่นงานเมื่อได้กลิ่นมนุษย์ชวยเข้ามาใกล้แต่พอโดนไฟกวาดออกไปเป็นเกาะกำบงังก็ตกอยู่ในอาการเดียวกันหมดคือหดนี้มากน้อยเพียงไรก็สุดแต่รัศมีไฟจากปลายใต้จะส่งความร้อนเข้าไปถึงแล้วพุนแหวกทางนำไปเบื้องหน้าด้วยประสาทอันแน่วแน่มั่นคงไม่ต้องสนใจกับข้างหลังระวังอย่าให้ไฟดับเท่านั้นมันทาอะไรเราไม่ได้แน่ตราบใดที่เรามีไฟเป็นเกาะกำบังอยู่อย่างนี้เขาร้องเตือนทุกคนมา ลึกเข้าไปเป็นลำดับในใจกลางอาณาจักรมลิตติยูนั่นผ่านไปในระหว่างลำต้นใหญ่น้อยที่ขึ้นรวมกลุ่มกันอยู่เป็นโดงโดยไม่มีพันไม้อื่นปะปนอาณาบริเวณทั้งหมดมันจะกว้างใหญ่เท่าใดไม่ทราบได้ แต่เฉพาะเท่าที่รบพินตั้งเข็มเป็นเส้นตรงเพื่อแหวกทางให้ทะลุออกไปยังหน้าผาซึ่งเห็นอยู่ข้างหน้าระยะทางประมาณไม่เกิน200เมตรบางแห่งก็เป็นบริเวณโลง่งโดยที่กิ่งเถาของต้นไม้มรณะซึ่งแผ่เป็นรัศมีไปรอบด้านนั้นไม่สามารถจะปกคลุมเข้ามาชนถึงกันได้แต่บางแห่งก็แน่นทึบถี่กระชั้นอันเนื่องมาจากต้นยืนใกล้เคียงกัน คันแล้วทันทีนั้นมาเรผู้เดินอยู่เบื้องหลังชัยยันทางด้านซ้ายก็หยุดชะงักกึกลงอย่างกระทันหันสกิดอดีตนายทหารปืนใหญ่โดยตรงเมื่อหันกลับมาเขาก็เห็นแหม่มสาวกำลังจ้องเขม็งไปยังโคนต้นแห่งหนึ่งห่างออกไปราวสามสิบเก้าพอมองตามชัยยันก็เกือบสะดุง้งภายใต้ม่านย้อยของวงแห่งความตายนั้นมีกระดูกกลุ่มหนึ่งกองอยู่ขาวโพนรับพินชัยยันเลี้ยผ่านใหญ่หนักๆในลาคอยืนนิ่งอยู่กับที่ แล้พินหันกลับมาและทุกคนที่กำลังเดินรวมกลุ่มกันอยู่ก็พลอยชะงักในสิ่งผิดปกตินี้ด้วยหันมาดูพร้อมกันหมดกองกระดูกพวกพานพื้นเมืองอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวแม้จะเห็นในระยะห่างและภายใต้เงาสลัวอันคุมเครือนั้นความรู้สึกชนิดหนึ่งก็แล่นเข้าจับประสาทของทุกคนเพราะโครงกระดูกเหล่านั้นมันไม่น่าจะเป็นของสัตว์ใดนอกจากมนุษย์ ครั้งแรกรลวพินเองก็เกือบจะเลยผ่านความสนใจไปเสียถ้าไม่ใช่เพราะเหลือไปเห็นสันฐานที่มองคล้ายกะโหลกคนเขามองสบตาคณะนายจ้างแวบหนึ่งไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ้นเปลี่ยนทิศเดินถือใต้ตรงตัดเข้าไปยังกองกระดูกเหล่านั้นทุกคนเคลื่อนตามมาทั้งขบวงเจ้างูนรกก็เปิดช่องทางให้ฝ่ายมนุษย์ผ่านไปโดยดุสเดียด้วยอำนาจเปลวไฟที่ถืออยู่ในมือของแต่ละคน พอใกล้เข้ามาทุกคนก็ใจเต้นแรงด้วยลางสังหรณ์ที่เกิดบูบขึ้นกลางใจเพราะมองเห็นชัดว่ามันเป็นโครงกระดูกของมนุษย์สองคนกลิ้งอยู่ห่างจากกันประมาณสี่วาโดยมีกระดูกของสัตว์บางชนิดอีก 7-8 โครงกลิ้งตะบนอยู่ด้วยช้ ย, ยันอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งในขณะที่ดารินตัวสั่นเทาเบิกตากว้างส่วนเชษฐาหน้าเผือ พอท้งคณะเข้ามาถึงบริเวณนั้นบ้านเถาวันก็ชักรอกตัวเองหนีขึ้นไปหมดเปิดทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ให้เห็นชัดขึ้นรัะผินออกคำสั่งให้พวกผู้หาบวางของลงและช่วยกันถือใต้ร้อมรอบคอยประคองป้องกันไว้รอบบริเวณนั้นเขาเองกับนายจ้างภู ก, กันเข้าไปยังคงกระดดกอย่างตื่นเต้นร้อนใจอนุชาเ อ, อ๋ยสวรรค์ทรงโปรดเถอะขอย่าให้เป็นแกเลยนะเสียงชัยยันคางออกมาเบาที่สุด ดาวรินนั้นความตกประหมาทำให้หล่อนทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะหนึ่งนอกจากยืนจ้องตะลึงงานไปใช้ถากับชา ย, ยันก็นิ่งขึงหน้าเครียดเคร่งหม่นมองคงมีแต่ละพินและมาเรียเท่านั้นที่สุดกายลงสํารวจโครงมนุษย์ทั้งสองนั้นอย่างถี่ถ้วนพี่ชายของเธอมากับพรานนำทางเพียงสองคนเท่านั้นไม่ใช่หรือเสียงมาเรียเอ่อยถามดาวรินมาเบาๆขณะที่ใช้ปลายนีดเดินป่า เขียที่กระโหลกหนึ่งขึ้นมาจากการฝังจงดินอยู่ครึ่งแต่ราชสกุลสาวมีอาการเหมือนไม่ได้ยินคําถามนั้นจิตใจของหล่อนฟอรเหี่ยวไปหมดจนกระทั่งพรานใหญ่ก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าไม่มีพวกเราคนใดที่จะบอกได้หรอกครับว่าโครงกระดูกทั้งสองนี้เป็นของคุณชายอนุชากับนานอินหรือเปล่านอกจากคุณหญิงคนเดียวเท่านั้นโปรดยมัวแต่ยืนตะลึงอยู่เมื่อนั้นเองหมอดารินจึงได้สติและทุกคนก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ตามคําพูดของจอมพรานแน่ละ่ะ คนที่พิสูจน์โครงกระดูกทั้งสองนี้ได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงที่สุดก็ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางมนุษยวิทยาและฟิสิกส์ซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือแพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์ดารินวาราวิ ราชกุลสาวใจแข็งบังคับสติซึ่งกำลังคอนแคลนสั่นไหวให้มั่นคงแน่วแน่ขึ้นสุดกายลงตรวจ ด, ดูโครงกระดูกทั้งสองอย่างถี่ถ้วนที่สุดครูใหญ่ต่อมาทุกคนที่เงียบกริดจ้องจับอาการของหลอนก็เห็นดาวินมีสีหน้าดีขึ้นหลับตาลงพร้อมกับผ่อนลมหายใจยาวยกมือขึ้นเสรยกับเส้นผมไม่ควรจะเป็นอนุชาใช่ไหมเชิดถ า, ถามมาเสียงแห้ง ซากทางด้านซ้ายมือนี่เป็นคนเอเชียอายุประมาณ 45-50 ปีสูง5ฟุต3นิ้วส่วนทางขวาเป็นคนยุโรปอายุประมาณ 35-40 ปีสูง6ฟุต1นิ้วเป็นโครงกระดูกที่ตายมาแล้วกว่า40ปีทุกคนถอนหายใจเฮือกออกมาพร้อมกันอย่างโล่ง อ, อกชื่ออะไรเสียงเบาๆของใครคนหนึ่งถามสวนมาโดยเร็ว นักมนุวิทยาหันควับไปทางเจ้าของเสียงจ้องหน้าอย่างพินิจค้นหาก็เห็นใบหน้านั้นขึงเป็นปกติจนดูไม่ออกว่ามันหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจหรือเจตนายั่วอารมณ์และทุกคนที่แวดล้อมอยู่ก็เปลี่ยนอารมณ์ไปอย่างกระทันหันที่สุดโดยไม่คาดคิดกันมาก่อนพากันหัวเราะขึ้น คนคนนั้นก็เลยมีหน้าตื่นเลือกลากเล็กน้อยแล้วอ้อมแอ้มปนลหัวเราะเกอ้อมาว่าขออภัยที่ถามโง่ๆงความจริงวิชามนุษยวิทยาหรือฟิสิกส์นี่ถ้าสามารถจะทำให้ผู้ศึกษาได้อ่านลึกลงไปจนถึงกับรู้ได้ว่าเจ้าของโครงกระดูกชื่ออะไรคงจะดีไม่น้อยมันจะทำความสะดวกให้แก่งานค้นคว้าขึ้นอีกมากความจริงจะโทษน้อยก็ไม่ถูกนะคะพี่ใหญ่ที่ไม่ได้ถูกชะตากรรา น, นาทางคนนี้เลย น้องสาวหันไปบอกเรียบๆกับพี่ชายหางเสียงไม่ได้มีความหมายอะไรมากนักใช้ถากับชายันหัวเลาะลั่นมาเรียนาเหลือลาไม่รู้เรื่องหันมาถามเมื่อดารินอธิบายให้ทราบหล่อนก็เบิกตาตรงร้องออกมาว่า Stupid ถามงงๆจริงๆแหละฉันว่ามิสเตอร์ฮันเตอร์ล้อเธอเล่นมากกว่า อย่างนี้ไม่เรียกว่าร้อหรอกเขาเรียกว่ายื้อโทโซความจริงหายไปนานแล้วโลกนี้แต่ทําไมอยู่ๆถึงโผล่ขึ้นมาอีกก็ไม่รู้ท่ามกลางหน้าสิวหน้าขวานจะตายไม่ตายแหลอย่างนี้ฉันไม่มีอารมณ์ขันด้วยหรอกประเดี๋ยก็จะเอามีดช็อกหน้าให้เท่านั้นหล่อนชูมีดโบวี้ขึ้นคนถูกฆ่าโทษทําหน้าเป็นไม่เห็นเสียวางหน้าเฉยก้มลงตรวจ ด, ดูโครงกระดูสกสัตว์ที่เกลื่อนกาดอยู่ในระหว่างกระดูกมนุษย์ทั้งสองแล้วกวาดสายตาไป ร, บรอบๆ เช่ดฐามไม่สนใจกับการทะเลาะปาแว้งกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆนั้นจ้องดูโครงกระดูกอย่างพินิษค่อยขวนเมื่อเป็นที่รู้แน่นอนด้วยความสบายใจขึ้นว่าทั้งสองซากไม่ได้เป็นโครงกระดูกของมรวออนุชาวราฤทธิ์และนานอินผ่านคู่ใจที่เดินทางมาด้วยกันปัญหาใหญ่มันก็ติดตามขึ้นมาในความรู้สึกของทุกคนทันทีในข้อที่ว่าทั้งสองคนที่พากันมาจบสิ้นชีวิตลงณนะที่นี้เป็นใครมีความเป็นมาเช่นไร ไอ้ต้นไม้ผีนี่กินคนและสัตว์แน่นอนจากหลักฐานที่เห็นอยู่นี่ทั้งสองคนจะเป็นใครมาจากไหนเพื่ออะไรก็ตามได้กะเกิดกระราผ่านเข้ามาทางนี้จึงถูกวงในรูของต้นไม้นี่รักสุกกินเลือดโดยไม่สามารถจะดิ้นรนช่วยตัวเองได้พอตายมันก็ปล่อยซากทิ้งลงมากลายเป็นโครงกระดูกตามการเวลาที่ผ่านมาหรือคุณว่ายังไงผู้กองชัยยันสันนิษฐานจอมผ่านก้มศรีรษะลงนิดนึงก็คงเป็นเช่นนั้นล่ะครับ ส่วนโครงกระดูกสัตว์ที่เห็นเปลือนปะปนอยู่นั่นเป็นกระดูกของเสือหมีอีเห็นและเม่นเจ้าพวกนั้นคงเห็นศพที่ถูกทิ้งลงมานอนอยู่กับพื้นจึงย่องเข้ามาจะ ก, กินซะก็เลยติดกับพอยถูกเถาวันจับกินไปด้วยกระดูกเลยกองทับถมกันอย่างที่เห็นนี่มาเรียแรไปรอบๆประกายตาคุ้นคิดกังขา วริเวณที่ทั้งสองคนมาพบจุดจบตรงนี้มันเป็นใจกลางโดงของเถาวัลย์กินคนทีเดียวเขาไม่น่าจะบุกเข้ามาพบวาระสุดท้ายจนถึงที่นี่เลยถ้าเขาจะตายพ่อเถานรกนี่อย่างที่เราเข้าใจเราก็ควรจะพบโครงกระดูกของเขาอยู่แถวริมรินดงด้านนอกไม่ใช่หรือรวมทั้งซากสัตว์พวกนี้ด้วยจะผ่านเข้ามาจนถึงตรงนี้ได้อย่างไรทุกคนพลอยฉงนไปกับข้อคิดของหลอนแต่ผานใหญ่ตอบมาว่า คุณลืมนึกถึงการเวลาไปซะแล้วเราได้คำยืนยันจากข้อพิสูจน์ของหมอดารินว่าโครงกระดูกทั้งสองนี่ตายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า40ปีใ น, นระยะเวลาที่ล่วงมานี่สภาพของต้นไม้กิ่งคนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปได้มากทีเดียวแต่เดิมตรงนี้อาจเป็นบริเวณชายดงของมันก็ได้ต่อมาก็มีต้นอื่นๆงอกจเจริญเติบโตออกไปรอบๆทาให้ขยายอาณาเขตดงของมันออกไป เจ้าต้นที่จับเขากินเป็นอาหารนี่ก็เลยกลายเป็นต้นที่เรากําลังดูอยู่ในขณะนี้ว่าขึ้นอยู่ใจกลางหรือมิฉะนั้นคนเคราะไรทั้งสองก็อาจรวมตัวเข้ามาและถูกลุมเล่นงานเหมือนอย่างที่พวกเราโดนเข้าแต่แรกแล้วเขาก็ดิ้นรนต่อสู้ทํานองเดียวกับเราเมื่อสู้ตะกี้จนกระทั่งในที่สุดก็มาพบวาระสุดท้ายเอาตรงนี้โดยดิ้นไม่หลุดจริงของคุณแต่ปัญหามันก็มาอยู่ที่คําถามที่ทําให้หมอดารินโมโหมเมื่อตะกี้นั่นเองนั่นคือคนทั้งสองเป็นใครชัยยันว่า ระหว่างที่คนอื่นพยายามอ่านรูปการรัพพินเดินตรวจค้นหาหลักฐานไปตามกองกระดูกขาวโพลเหล่านั้นไม่ถึงอึดใจเขาก็พบปืนสองกระบอกจมดินปร่มๆอยู่โดยมีกองกระดูกสักทับไว้อีกทีหนึ่งหน้าตาของมันไม่เหลือความเป็นปืนอยู่อีกแล้วนอกจากสันฐานเท่านั้นเชิดถากับชัยยันก็ก้าวเข้ามารับเอาไปตรวจพินิษ์พิจารณาดูคนละ ก, กระบอกสำหรับกระบอกของชัยยันนั้นมองเห็นได้ชัดว่ามันเป็นลูกซองแฝกเบอร์12บอนกนอกรุ่นดามัสกัส ส่วนอีกกระ บ, บอกหนึ่งเป็นไรเฟิลแบบลูกเลื่อนสนิมและคีดินจับซะจนไม่สามารถจะขยับลูกเลื่อนได้ลำกล้องและโครงเหล็กก็ผุ ก, ก่อนจนมองไม่เห็นตัวอักษรใดๆทั้งสิ้นอีกสามคนก็เข้ามามุงดูอย่างงงๆเช่ถฐาคว้ามีดพับสปริงออกมาขูดดินและสนิมตรงบริเวณปากกระบอกออกเพื่อให้เห็นรูลำกล้องได้ถนัดปืนอะไรนี่หัวหน้าคณะพึ้พำพยายามใช้สายตาวัดดูจากขนาดของปากลำกล้อง จุด404โต奈特 e x p e s s หรือว่าจุด405维切斯特จุด4570格布尔曼กำมังชชยันดาวอาจจะเป็นจุด577ทับ450โซลิดมาตินี่เฮนรี่ก็ได้ช่วงของลูกปืนไม่ยาวมากนะมาเรียออกความเห็นบ้างเมื่อเห็นขนาดช่วงของลูกเลื่อนที่เชิถาเอามีดพับขุดสนิมออกแต่ดารินแย้งว่า กระสุน .573 ทั450เท่าที่เห็นส่วนมากเป็นไรเฟิลแฟดแต่นี่มันเป็นแบบลูกเลื่อนเคยมีไรเฟิลแบบโคเอ็ชั่นผลิตโดยโรงงานใดสมัยใดเพื่อใช้กับสนุกระสุนชนิดนี้หรือใช้ฐานเหลือไปทางจอมพานเหมือนจะอย่างความเห็นก็ได้ยินเสียงต่ำๆบอกมาว่า .10.75 มมเมาเซอร์ er ครับคงจะเป็นปืนประจำมือของฝรั่งส่วนลูกซองแฝดนั่นก็น่าจะเป็นของพานพื้นเมืองที่มาด้วย นั่นเป็นการตัดสินข้อโต้เถียงและกังขาของทุกคนลงเพียงเท่านั้นเกี่ยวกับชนิดและขนาดของไรเฟริลกระบอกนั้นใช้ถาใช้สันมีดโบวีเข้อจนลูกเลื่อนหลุดออกมองเห็นรังเพิงอันเกิดรังไปด้วยสนิมนั้นได้ถนัดแล้วก็ยอมเห็นด้วยกับสายตาอันชำนาญของพานภายัยสัตว์อย่างหนึ่งไรเฟริลอีกอย่างหนึ่งคนอย่างรับพินภัยวันจะไม่มีวันอ่านคลาดเคลื่อนผิดไปเลย ฝรั่งคนหนึ่งผ่านพื้นเมืองอีกคนหนึ่งบุกบันผ่านมาถึงที่นี่ก่อนหน้าเรา40ปีและได้มาพบวาระสุดท้ายเอาในดงต้นไม้กลิ่นคนนี่ทำยังไงเราถึงจะรู้ได้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและเพื่ออะไรเสียงเช่ดถาพึมพำเหมือนจะรำพึงกับตนเองแผวเบาดวงตาหลีลงขณะที่มองจับนิ่งไปยังหัวกระโหลกของชายชาวยุโรปซึ่งสันฐานผิดไปจากอีกกักหนึ่งอย่างเห็นชัดทันทีนั้นอะไรชนิดหนึ่งก็ผ่านแวบไปในความคิดของชายยัน จำกันได้ไหมขยินเคยบอกกับเราไว้ครั้งหนึ่งว่าสมัยที่มันยังเป็นเด็กอยู่มีฝรั่งนักสํารวจกับพ่อมากลุ่มหนึ่งผ่านมาที่หลุมช้างแล้วก็เข้านารกดําโดยมีเจตนาที่จะมุ่งไปเทือกเขาพระศิวะจากนั้นก็หายสาบสูญไปทั้งคณนะโดยไม่ได้ข่าวอีกเลยเรียกขยินเข้ามาสอบถามเอารายละเอียดอีกครั้งสิลพินเชิฐาสั่งผ่านใหญ่ดีดนิ้วเรียกเจ้าในบ้านหลุมช้างเข้ามาสอบสักอะไรสักครู่ก็บอกว่า คณะนั้นมีอยู่6คนครับเท่าที่มันจำได้เป็นคนผิวขาว3ามคนพ่อม่สองคนแล้วก็พานำทางเป็นชาวคชินถ้างั้นก็ไม่ควรจะเป็นคณะนั้นแน่เพราะเราพบรกระดูกเพียงสองเท่านั้นดาลินว่าก็ยังไม่แน่นะักว่าจะไม่ใช่ระหว่างการเดินทางรอนแรมมาทั้งคณะ6คนอาจจะค่อยๆตายกันไปเป็นลำดับทีละคนสองคนก็ได้และในวาระสุดท้ายเหลือเพียงสองคนซึ่งมาพบจุดจบพร้อมกันที่นี่ ใช้ถ่ายแย้งมาอย่างใคร่คยวนลึกซึ้งและมันก็มีเหตุผลน่าคิดอยู่เหมือนกันชายยันหันมาสะกิดแขนจอมพานพยักหน้าชวนมาว่าช่วยกันค้นอีกดีกว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าเราน่าจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มเขามาตายอยู่ตรงนี้สิ่งของติดตัวก่อนตายก็ควรจะตกเรือนอยู่ในละแวกนี้แหละทั้งสองช่วยกันใช้นิ้ขุดเซาะค้นหาไปตามกองกระดูกเหล่านั้นพร้อมด้วยสายตาอันพิเคราะห์ เช่ถาคงถือใต้ติดไฟลูกชนอยู่ในเมือเช่นเดิมและร้องสั่งให้พวกลูกหาบคอยระวังอย่าให้ใต้ไครดับเป็นอันขาดเพื่อคอยคุ้มกันมรรตยูจากเถากินคนซึ่งหดอยู่เหนือศีรษะของทุกคนในขณะนี้อึดใจใหญ่ๆต่อมาชายยันก็พบมีดเน็บสนิมจับอีกเล่มหนึ่งลักษณะเป็นมีดของพวกขชินและละักพินก็ขุดแะ๊ะย่ามหนังแบนๆขึ้นได้จากใต้ผิวดินไม่ลึกเกินไปนะัก รูปร่างเหมือนย่ามที่ใช้ผูกติดกับอานม้าในขนาด8คูณ12มิ้วมีรอยเปื่อยขาดผูพังด้วยการเวลาที่ฝังจมดินอยู่พอค่อยๆบรรจงเปิดออกดูมันก็ขาดยุ่ยออกจากกันอย่างง่ายดายสมุดปกหนังสือบอกสีสันเล่มหนึ่งหลุดร่วงออกมาและสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวที่บรรจุอยู่ในย่ามนั้น อีก3คนที่ยืนดูก็ถลันพวดเข้ามาทันทีเมื่อเห็นชัดว่ามันเป็นเอกสารดูให้ดีซิสมุดอะไรบันทึกประจำวันหรือเปล่าช่วยถาร้องเร็วปึงออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น จอม่านกัดลิมฝีปากเบาๆตาเป็นประกายค่อยๆบรรจงเปิดสมุติที่มีส่วนหนาประมาณ2นิ้วนั้นขึ้นอย่างแผ่วเบาระมัดระวังท่ามกลางการมุมล้อมดูของทุกคนหน้าต้นๆและในตอนท้ายๆซึ่งหนาประมาณ 2-3 เซนมีสีแดงคล้ำและยุ่ยเหมือนกระดาษฟางเกาะติดกันแน่นแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะสภาพอันจมดินไม่สามารถจะแกะแยกออกจากกันได้บางส่วนก็หลุดร่วงออกจากเล่มคงมีแต่ตอนกลางๆเล่มเท่านั้นที่ยังพอจะเพลิกเปิดได้ ในนั้นบรรจุลังเลือนด้วยตัวอักษรมึกดำไม่เพียงแทบจะอ่านไม่เห็นเพราะความลบเลือนเท่านั้นภาษาที่ใช้เขียนและพินภัยวันก็แกะไม่ออกและเดาไม่ถูกแม้ว่าส่วนมากของมันจะเป็นตัวโรมันนส์เขาส่งไปให้หัวหน้าคณะเชิถารับมาพยายามเพ่งแล้วขมวดคิ้ว ลักษณะมันเป็นไดอารี่หรือสมุดบันทึกประจำวันแน่แต่เขียนด้วยภาษาอะไรกันนี่ไม่ใช่อังกฤษฝรั่งเศสหรือเยอรมันดารินกับชัยันก็งงทันทีนั้นทุกคนก็หันขวับมาเป็นตาเดียวเมื่อเสียงต่ำๆของมาเรียฮอฟมันดังมาว่าขอให้ฉันดูสิคะพี่ใหญ่ ต่างนึกขึ้นมาได้ในบัรนั้นว่ามาเรียเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ควรจะรู้ได้ดีกว่าคนอื่นๆเพราะหล่อนเป็นนักนิรุติศาสตร์เชี่ยวชาญในรากฐานของภาษาอยู่แล้วเช่ด า, ร, า, า, า, า, ารีบส่งสมุดเก่าข้าคลื่ไปให้โดยเร็วภายหลังจากเพ่งตัวอักษร ล, ลายมืออันผ้าเรือนเหล่านั้นอยู่อึดใจเดียวภรรยาไามา้ของดรฮอฟมก็อุทานออกมาเบาๆภาษาดานิชดานิช ดาวรินร้องก็แปลว่าเจ้าของลายมือผู้บันทึกมันหรืออีกในหนึง่งคนตายที่เหลือโครงกระดูกให้เห็นอยู่นั่นเป็นชาวเดนมาร์กนะสิเพื่อนสาวก้มศรีรษะลงภาษาที่เขาเขียนไว้เป็นหลักฐานให้คดพมนี่ก็เพืจะบอกเชื้อชาติของเขาได้ชัดทีเดียวฝรั่งเดนมาร์กเลยครับเสียงพานใหญ่น้องถามมาเบาๆเม่บอกว่าอย่างนั้นชายยันตอบหน้าตื่นทุกคนเห็นมาเรพึมพำอ่านภาษาดานิชทำปากบุกมีคือครู่หนึ่งก็เงยหน้าขึ้นโดยเร็วน้อย เธออ่านลักษณะของโครงกระดูและทายช่วงเวลาของมันได้อย่างแม่นยำเหลือเกินหมายความว่ายัางไงในบันทึกเล่มนี้เอ่ยอ้างถึงวันเวลาที่เขาเขียนข้อความไว้ด้วยมันเป็นวันที่13เดือนธันวาคมคิศักราช1926นับย้อนหลังจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ42ปีตรงเพลงกับที่เธอกะไว้ทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นกระตือรือร้นขึ้นมาในทันทีเมื่อทราบว่ามาเวสามารถอ่านข้อความในสมุดบันทึกของคนตายได้ออก คุณอ่านมันได้เข้าใจดีหรือไม่ชัยันถามมาด้วยเร็วอย่างกระหายถ้ามองตัวอักษรได้ชัดก็พอจะอ่านออกฉันเรียนภาษาดานิชในมหาวิทยาลัยเป็นภาษาที่เลือกเรียนโดยสมัครใจแต่พระเจ้าทรงโปรเถอะตัวอักษรที่เขียนไว้เหล่านี้ผ่าเลือนเต็มทีบางประโยคจางจนมองไม่เห็นเลยและส่วนมากก็ขาดหายไป หล่อนพุมคำเหมือนจะพูดกับตนเองพยายามพลิกเปิดดูอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วตอบมาว่าตอนต้นๆเลือนหายไปหมดแล้วแต่รู้สึกว่าตอนท้ายๆนี่อาจจะพอค่อยๆแกะคําไปได้เพราะมันเป็นส่วนที่ตรงกลางของเล่มพอเหลือเขาให้เห็นอยู่บ้างและตอนท้ายๆนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นบันทึกครั้งล่าสุดในชีวิตของเขาก่อนวาระสุดท้าย ก่อนที่ใครจะขยับปากเอ่ยคาใดออกมาใช่ยถาก็แทกขัดขึ้นกลางคันว่าเก็บไว้ก่อนเมสมุดบันทึกของคนตายเล่มนั้นเราต้องการรู้อย่างที่สุดว่าเขาเขียนไว้เช่นไรและเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องแกะออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เราต้องออกจากดงต้นไม้กินคนนี้โดยเร็วไปให้พ้นจากที่ที่อันตรายนี้ซะก่อนเถอะ มาเรียกเก็บสมุดบันทึกเล่ม น, นั้นเข้าเป้หลังยกมือทำอาเมนให้กับซากโครงกระดูกทั้งสองแล้วทั้งหมดก็รีบปุตตัดทางเพื่อออกไปให้พ้นจากบริเวณดวงต้นไม้นรกบ่ายหน้าเป็นอย่างหน้าผาอันเป็นทิวเขียวชะอุ่มซึ่งเห็นอยู่โดยเร็ว เจ้าของบันทึกบอกไว้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรดารินแอบกระซิบถามเพื่อนสาวขณะที่เดินเคียงข้างมาด้วยกันมาเรียสันศีรษะยังอ่านไม่พบเลยในบันทึกเท่าที่เห็นเรียกตัวเองว่าข้าพเจ้าเขียนลงในบันทึกประจำวันชนิดวันต่อวันพรณนาถึงความยากแค้นธุรกันดารและมหันตภัยที่เผชิญเฉพาะหน้าสองหน้าที่อ่านพบเป็นการบอกไว้เพียงหุ้นๆสั้นๆเท่านั้นดันที่ที่เราพัก ฉันจะพยายามแกะออกมาให้ละเอียดที่สุดฉันก็ร้อนใจกระหายที่จะรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนซึ่งล่วงหน้ามาก่อนเราเมื่อ12ปีก่อนอยู่เหมือนกันไม่คิดเลยว่าเราจะได้มาพบเข้ากับหลักฐานของนักสำรวจรุ่นก่อนๆที่เอาชีวิตมาทิ้งซะในโดงนี้เห็นโครงกระดูกครั้งแรกบอกตามตรงฉันใจหายหมดนึกว่าเป็นซากของพี่ชายกับพานคู่ใจของเขาดาวรินพูดแผ่วเบา คงจะต้องมีคนได้เคยพยายามที่จะบุกบั่นไปยังเทือกเขาพระศิวะมาก่อนที่ชายเธอเสอนาคตานักแล้วและคงเป็นช่วงเวลาที่ติดต่อกันมานับศตวรรษทีเดียวแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นใครบ้างที่ทําได้สําเร็จถ้าจะนับเวลาสําหรับรายฝรั่งเดนมาห์นี่มันผ่านมาเพียงแค่42ปีนี่เองอาจจะเป็นรายล่าสุดที่มุ่งสแสวงหากลุมเพชรพระอุมาก่อนหน้าที่ชายของเธอนักมนุษยวิทยาฝืนยิ้มก้ามเกินอะไรชนิดหนึ่งลงคออันแห้งผาก ไม่ใช่หรอกนั่นไม่ใช่ลายล่าสุดก่อนหน้าพี่ชายฉันจะหลงหายเข้าไปสู่ชะตากรรมอันทายไม่ถูกยังมีลายล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้เองหลังจากการไปของพี่ชายฉันเพียงไม่กี่ปีใครนักสํารวจชาวพมา่าชื่อเนวินกับคณะของเขาคนที่สศมซารกลับมาตายต่อหน้าผานใหญ่ละพินของเราและก่อนตายก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้พร้อมทั้งมอบลายแทงให้ผานใหญ่ด้วย ลายแทงอันนี้แหละที่อยู่ในมือของรัพพินอันเป็นต้นเหตุให้พวกเราต้องดั้มด้นมาว่าจ้างเขาให้นำทางให้เช่นนั้นรึฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนรัพพินอาจไม่ได้เล่าให้เธอฟังแต่เขาเล่าให้เราฟังเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ลายแทงอันนี้หรือเปล่าที่แง่ทายขโมยไปอันนี้แหละพวกเราถึงต้องกระเซาอกระเซิงติดตามแง่ทายอยู่อย่างนี้ไม่มีลายแทงนั้นเสื้ออย่างเดียวเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางกันต่อไปอย่างไร ฉันยังไม่เข้าใจอะไรกระจ่างนักน้อยพี่ชายของเธอเดินทางสูญหายไปในดงลึกการติดตามถือหลักอยู่ที่ลายแทงเก่าแก่ชิ้นนั้นมันมีความหวังได้อย่างไรว่าเราจะได้ร่องรอยเขา ถ้าจะพูดถึงหลักเกณฑ์แล้วเราไม่มีอะไรเลยเมเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแต่เรามีความหวังอยู่เพียงฤิ์ตรี่คือรู้แน่ว่าเขามุ่งหน้าไปเทือกเขาพระศิวะเพราะที่นั่นเป็นแหล่งขุมเพชร ท, ที่ฟังดูเหมือนนิยายส่วนลายแทงอันนั้นจะเป็นเครื่องชี้ทางให้เราบ่ายหน้าไปถึงที่นั่นได้หากไม่ตายซะก่อนในเมื่อจุดหมายปลายทางอยู่ที่เดียวกันเขาล่วงหน้าไปก่อนเราตามไปทีหลังเราอาจจะได้ร่องรอยอะไรของเขาบ้างนี่คือความหวังนี่คือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการติดตาม ถามจริงๆเธอมาเรียเอ่ยขึ้นทอดระยะไปครู่หนึ่งคณะของเธอติดต่อเจรจากับไยวันเช่นไรนะเขาถึงยอมตกลงรับจ้างนำทางในครั้งนี้ทั้งๆที่เขารู้ตัวล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วว่าทางตายมันมากกว่ารอดทางล้มเหลวมากกว่าสำเร็จเหมือนเอาชีวิตเข้ามาทิ้งซะเปล่าๆนั่นเป็นการสนทนากันอย่างเปิดใจพูดถ้อยทีถ้อยอาศัยของสองหญิงผู้เคยกินเหลี่ยมสงวนคมและเชื่อเฉือนชั้นเชิงกันมาโดยตลอด ดาวรินยักษ์ไหลมองไปยังร่างปลับเปลียวของจอมพานร้าพินผู้เดินดุ่มรุดไปเบื้องหน้าราวกับวิญญาณและร่างกายจะประกอบขึ้นด้วยเหล็กเพชรดวงตาทั้งคู่ของหล่อนเป็นประกายสุกใสขึ้น ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันครั้งแรกที่เจรจาพวกเราผิดหวังกันไปหมดเพราะเขาปฏิเสธทันทีแต่แล้วพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ตกลงรับนําทางฉันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเขาไม่ตกลงรับนําทางในในครั้งนี้เขาก็ไม่ควรจะเป็นรัฐพินพัยวันดังเช่นกิติศักดิ์ระบือก้องมันเกี่ยวกับศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ของเขาด้วยนั่นสําคัญกว่าเงินค่าจ้างหรือเงื่อนไขตอบแทนทั้งปวงมาเรียพยักหน้าอย่างเข้าใจ ที่สุดเพียงไม่นานนะักต่างก็พ้นดงต้นไม้มหาศจาลบรรลุถึงหน้าผาที่หมายตาไว้โดยสวัสดิภาพไต่ขึ้นไปบนเนินลาดตระมาณ30องศาในระหว่างหมู่ไม้และก้อนหินที่ขึ้นเรียงรายอยู่เป็นหย่อมพอพ้นแนวบังของหินก้อนใหญ่สันฐานคล้ายๆช้างหมอบรพินผู้นําขึ้นเบื้องบ้านหน้าเป็นคนแรก ก, กก็โผกลับออกมาโบกมือให้กับพรรคพวกที่กําลังทยอยไต่กันขึ้นมาพร้อมด้วยรอยยิ้มอันแช่มชื่นพบน้ําแล้วครับจริงของขยินมัน ความกระปกกระเปี้ยแทบจะหมดกำลังใจเดินของทุกคนก็พอยสลายในบับนั้นพากันกัดฟันเร่งกำลังไตขึ้นมาโดยเร็ว มันเป็นแอ่งน้ํำมวกอยู่ใต้หินใหญ่ลูกนั้นนั่นเองลักษณะกลมรีเหมือนอ่างลูกไข่เนื้อที่ประมาณหตารางวาน้ําสีขาวมวูเหมือนเจอดินสีพองแต่เย็นเฉียบทุกคนเต็มไปด้วยความปิติอินดีเหมือนเห็นสมบัติทิพย์แต่แล้วก่อนที่ใครในคณะนายจ้างจะตรงเข้าไปดื่มกินให้สาสมกับความกระหายนั้นดารินก็ร้องท้วงขึ้นโดยเร็วว่าเดี๋ยวก่อนจะรู้ได้ยังไงว่าน้ําไม่กินได้ขยินรับรองนะหญิงสเสน่จันท์ขึ้นเต็มไปหมดแถบนี้น้ําต้องกินได้แนะ่ เจ้านักเลงโตหลมช้างยืนยันอย่างลิงโลดจัดแจงจุ่มหน้าลงไปก่อนเป็นคนแรก